พวกเราทุกๆ ท, ท่านที่ได้บวชมาในพระพุทธศาสนาทั้งบวชเก่าทั้งบวชใหม่แต่ว่าการบวชนั้นก็คงมีจุดหมายหรือจุดประสงค์ต่างกันบ้างแต่อันดับแรกการบวชเข้ามาก็ยังไม่รู้เพราะยังไม่ได้ศึกษาตามแนวทาง ตามแนวแถวพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังไม่รู้จะเดิญไปทางไหนจุดประสงค์ของพระพุทธศาสนาคืออะไรพวกเรายังไม่ได้ศึกษาเพราะนั้นที่ว่าพวกเราจะเข้ามาบวชแล้วจะเป็นผู้ตั้งอกตั้งใจเป็นผู้มุ่งมั่นจริงๆอย่างนั้นทีเดียวก็คงจะไม่ง่ายเพราะว่าเราไม่ได้ศึกษา แต่ถ้าว่าผู้ที่ได้เคยศึกษาและปฏิบัติมาแล้วได้ภาวนามาแล้วเมื่อเป็นครวญในเมื่อเข้ามาบวชใจของท่านองค์นั้นก็มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจเพราะรู้เรื่องว่าจุดหมายปลายทางที่เราบวชมาในครั้งนี้คราวนี้เรามีจุดประสงค์อะไรแต่ถ้าว่าผู้ที่ไม่ได้เคยศึกษามาก่อน ที่จะคิดอย่างนั้นจะตั้งใจอย่างนั้นคงจะเป็นไปไม่ได้อย่างผมก็เหมือนกันแต่บวชทีแรกก็คืออยากจะบวชเข้ามาเพื่ออยากจะได้บุญเป็นสัมาเนนเพราะการที่อยากจะได้บุญนั้นก็ไม่ใช่ความคิดของตนเองอีกตัวเป็นความคิดของผู้ที่เกี่ยวข้องคือพ่อแม่และญาติพี่น้องอยากจะให้ลูกหลานตัวเองบวชในพระพุทธศาสนา เพราะนั้นในเมื่อเราบวชเราก็เพียงอยากจะได้บุญคําว่าบุญคำนี้ถ้าจะให้ชาวบ้านเอาอธิบายเขาคงจะอธิบายไม่ได้แต่ว่าใครๆก็ต้องการบุญบุญก็คือความสุขบุญคือความร่มเย็นเป็นสุขบุญคือความปรารถนาสิ่งไหนสมความมุ่งมา่ปรารถนาเพราะบุญเป็นผู้เอื้ออํานวยเพราะนั้น ชาวพุทธทั้งหลายตลอดถึงพ่อแม่พี่น้องของทุกท่านก็คงจะคิดเช่นเดียวกันเพราะนั้นเรื่องการบวชของทุกท่านที่จะว่าให้บวชเข้ามาแล้วเป็นผู้ตั้งใจเป็นผู้มุ่งมั่นประพฤติปฏิบัติเอาจริงเอาจังแต่ที่แรกนั้นผมคิดว่าคงจะไม่ใช่อย่างนั้นอันดับแรกเมื่อบวชเข้ามาแล้วก็คงจะมีความคิดแปกแตกต่าง แต่พอได้ศึกษาแนวทางปฏิบัติหรือได้ศึกษาพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วศรัทธาคือความเชื่อในพระธรรมคําสั่งสอนจากนั้นก็มีอุตสาหะมีความภาคเพียรมีความพยายามมีความอดทนตามลําดับมาอันดับแรก ค, คือความเชื่อเชื่อในพระพุทธเจา้าเชื่อในพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา้า เชื่อในพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเชื่อในไตรสิกขาไตรสิกขาคือศินสมาธิปัญญาที่เป็นพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าว่าพวกเราไม่มีความเชื่อในพระพุทธเจ้าไม่เชื่อในพระธรรมไม่เชื่อในพระสงฆ์ไม่เชื่อในไตรสิกขาอันนั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกตรัสไว้ว่าอันนั้นคือตอองจิต ตอของจิตคือตอของกิเลสอยู่ในใจเหมือนกับตอไม้นะมันต้องสะดุดคือความไม่มั่นใจไม่ราบรื่นถ้าว่าเราไม่เชื่อในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในไตรสิกขาไปแล้วมันสะดุดเพราะมันมีตออยู่ในใจเพราะนั้นท่านจึงว่าให้ทําความเข้าใจกับตนเองว่าพระพุทธเจ้ามีคุณความดีอย่างไรพระพุทธเจ้าตัดสรู้อะไร พระพุทธเจ้าได้มรู้ทำตรงไหนคือตั้งศรัทธาคือความเชื่อไม่ใช่เชื่อเฉยเฉยพอเชื่อเข้าไปแล้วเราก็ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสรู้ทำนั้นด้วยพระพุทธเจ้าตรัสรู้ทำเบื้องต้นท่านทําอย่างไรเราก็ได้นํำทำที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้นั้นมาปฏิบัติกับตนเองในเมื่อ มาปฏิบัติแล้วเราก็เชื่อในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้บรรลุธรรมที่ท่านเผยแผ่ออกมานั้นที่ท่านเขียนแผนที่ให้เราเดินนั้นเป็นสวากขาตธรรมจริงๆไม่เป็นอย่างอื่นเมื่อเราปฏิบัติเข้าไปแล้วได้รับความร่มเย็นเป็นสุขทางด้านจิตใจจากนั้นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่นาพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็คงจะซึ้งในพระธรรม ท่านจึงได้มอบกายถวายชีวิตในนาพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแพร่ให้พวกเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติถ้ามาอย่งงางนั้นท่านว่าพระสงค์ไม่นํามาเผยแพร่พระพุทธศาสนาก็คงจะหมดมาเป็นสองพันกว่าปีแล้วเมื่อพระพุทธเจ้ารุนิพานพระพุทธศาสนาก็คงจะหมดในครั้งนั้นแต่นี้พระพุทธศาสนาไม่หมดไม่สิ้นไปก็เพราะพระสงค์ที่รู้คุณค่า ของพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจา้าท่านได้ปฏิบัติแล้วเห็นผลจากนั้นท่านก็มาสอนประกาศบอกกล่าวกันต่อๆกันมาจากนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายตลอดถึงพุทธบริษัทสีของพระพุทธเจา้าก็ได้นาพระธรรมคาสั่งสอนนั้นมาเผยแร่ต่อๆกันมาจนถึงพวกเราท่านทั้งหลาย เมื่อมาถึงพวกเราท่านทั้งหลายพวกเราท่านทั้งหลายก็ได้ใช้ปัญญาใช้วิจารณญาณาในใจของตัวเองเท่าที่มีเท่าที่สติปัญญาของเราที่จะวิเคราะห์ไตรตรองเหตุและผลนั้นๆในเมื่อเราพิจารณาด้วยเหตุผลนั้นๆแล้วเราก็เกิดความเชื่อเชื่อในพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรม อะไรพระธรรมคําสั่งสอนของพุทธเจ้าเป็นนิยานิกระทัมนําผู้ประพฤติปฏิบัติให้พ้นทุกได้จากนั้นมาก็ศึกษาเรื่องไตรสิกขาเรื่องศีลของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบัญญัติศีลเพื่ออะไรทํำไม่คือศีลสมาธิปัญญาศีลคือเป็นเครื่องคุ้มครองทางกายวาจาให้อยู่ร่วมกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขสมาธิ เป็นเรื่องแนวความคิดของด้านจิตใจแนวความคิดของแต่ละท่านและปัญญาพิจารณารอบรู้ในเรื่องต่างๆในกองสังขารอนิจังทุกขังอนัตตาไตรลักษณิยสัตสีทุกสมุ ท, ทยัยนิโรธมักเหล่านี้เป็นต้นเพราะนั้น ปัญญาของพระพุทธศาสนาหรือปัญญาของพระพุทธเจ้านั้นถ้าจะว่าไปและกว้างขวางทีเดียวเป็นปัญญาที่ถอดถอนกิเลสไม่รู้อนเหลี่ยมไหนตัวเหลี่ยมไหนเพราะกิเลสอยู่ในใจของพวกเราท่านทั้งหลายเยอะแยะเต็มไปหมดเรื่องศีลก็เหมือนกันศีลพระพุทธเจ้าก็ให้สอนสอนว่าการอยู่ร่วมกันต้องมีความอดทนเป็นพื้นฐาน ต้องมีการพิจารณาใช้สติใช้ปัญญาใช้ความเพียรเป็นพื้นฐานเพราะพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อพวกท่านทั้งหลายอยู่ด้วยกันให้พวกท่านทั้งหลายซ้ำเนียดไว้อยู่เสมอว่าถ้าหากว่ามีโจรเอาเรื่อยมาเรื่อยอวัยวะของพวกท่านพวกท่านยังโกรธให้โจรอยู่ แปลว่าพวกท่านไม่ปฏิบัติตามำคำคําสั่งสอนของเราตถาคตแต่พวกท่านทั้งหลายเมื่อเห็นโจรทําอย่างนั้นให้พวกท่านทั้งหลายทําใจคือเมตตาของเราเนี่เรารักเราเรารักโจรให้เสมอกันอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายทำตามคําสั่งสอนของเราตถาคต อันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าท่านให้ดูใจของตนเองในเมื่ออยู่ร่วมกันกับหมู่พวกเพื่อนถึงจะเป็นผู้น้อยเป็นผู้ใหญ่ก็ให้มีจิตใจเยือกเย็นที่พระพุทธเจ้าวะถึงโจรเอาเลื่อยมาเลื่อยเราเอาวัยวะน้อยใหญ่เลื่อยแข่งเลื่อยขาแต่เราไม่โกรธแย่โจรให้ถือว่ามีเมตตาเออเหมือนกับเรารักโจรโจรรักเรา สรุปแล้วก็คือให้ใจใปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นใจให้มีเมตตาถ้าว่าพวกท่านทำอย่างนั้นได้นั่นลหละผู้ปฏิบัติตามำคาสั่งสอนของเราตถาคตอันนี้ก็คือเป็นแนวความคิดแต่พวกเราจะให้ทาอย่างนั้นจริงๆผมว่าก็คงจะยากแต่ว่าถ้าว่านำมาประพฤติบัติแล้วพวกเราก็ควรจะ สำเหนียกเอาไว้ว่าอันนั้นคือพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถึงจะทําไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่พวกเราอยู่ร่วมกันกับหมู่กับคณะก็ต้องดูใจเขาใจเราใจหมู่ใจเพื่อนไม่ใช่ว่าจะเอาแต่ใจตัวเองพระโมคคราท่านสอนพระสอนหมู่พวกเพื่อนก็เป็นแนวความคิดอันหนึ่งท่านบอกว่าการอยู่ร่วมกันบางองค์แสดงประวรณา ต่อหมู่พวกเพื่อนขอให้ว่ากล่าวตักเตือนผมได้แต่พอหมู่จะว่ากล่าวตักเตือนจริงๆไม่ยอมรับฟังในการว่ากล่าวถือทิฐิมานะไม่ยอมฟังไม่ยอมปฏิบัติตามเอาทิฏฐิหรือความเห็นของตัวเองเป็นหลักอย่างนี้พระหมู่พวกเพื่อนก็ไม่อยากจะเข้าใกล้ไม่อยากจะว่ากล่าวตักเตือนเพราะตักเตือนแล้วกล่าวแล้ว มีแต่ผลที่จะสะท้อนย้อนกลับมาหาผู้ตักเตือนแต่กล่าวประวรรณามู่ด้วยวาจาจริงอยู่แต่ไม่ออกมาจากใจจริงถ้าว่าออกมาจากใจจริงแล้วพูดอย่างไรต้องปฏิบัติอย่างนั้นเมื่อหมู่ว่ากล่าวตักเตือนเราก็ยินดีรับฟังในโการว่ากล่าวตักเตือนของหมู่พวกเพื่อนนั้นๆอันนี้แปลว่าเป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้ตั้งใจเป็นผู้หวังดีกับหมู่พวกเพื่อนนนตนเอง แต่บางองค์ไม่ถึงกับปรวรนาให้หมู่เพื่อนบอกกล่าวแต่ว่าเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายเป็นผู้เชื่อฟังเป็นผู้ศึกษาเข้ากับหมู่กับเพื่อนได้ทุกอย่างอันนี้แปลว่าองค์นั้นเป็นผู้มีหมู่มีเพื่อนเป็นพี่ไว้เนื้อเชื่อใจของหมู่ของกลุ่มของคณะอันนี้ก็คือเป็นแนวความคิดของท่านพระโมคคราที่ท่านแนะนาสั่งสอน หมู่พวกเพื่อนในยุคสมัยนั้นอันนี้ก็เป็นแนวความคิดสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายเหมือนกันการอยู่ร่วมกันการไปมาหาสู่กันการเสียวนากันการพูดคุยกันการศึกษาปารกกันให้มีธรรมะในด้าน จ, จิตใจอย่าเอากิเลสออกมาอวดอ้างกันถ้าเอากิเลสออกมาอวดอ้างกันแล้วเห็นกันแล้วมีแต่อวดสักอวดสีอวดเที่ยวอวดฟัน เหมือนกับสุนัขเห็นกันและหิงเขี้ยวออย่างนี้แปลว่าไม่ใช่พระไม่ใช่นักบวชผู้ออกมาเสียสละถ้าเป็นนักบวชแล้วต้องเป็นผู้เสียสละเป็นผู้ยอมรับการเป็นอยู่ของเราทํายังไงพวกเราจรึงจะสงบพรมเย็นเป็นสุขได้เพราะทุกองค์เข้ามาบวชบวชมาเพื่ออะไร ให้ถามตนเองอยู่เสมอว่าเราบวชมาเพื่ออะไรเราต้องการอะไรเราหวังอะไรอย่างนี้ถ้าว่าพวกเราถามตัวเองอยู่เสมอบวชเข้ามาเพื่อหวังขัดเกลาเพื่อหวังชําระกายวาจาใจของตนเองเราบวชมาเพื่อทดแทนพระคุณของบิดามารดาเพราะว่าเราได้เกิดมา จากพ่อจากแม่พ่อแม่เลี้ยงดูเรามายากลําบากตั้งแต่เด็กค่าใช้จ่ายในการเป็นอยู่ของพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามานั้นมีเท่าไหร่ไม่มีใครประเมินได้ว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ถ้าลูกของตนเองเจ็บไข้ได้ป่วยเ อ, อรักษาแต่อ่อนแต่ออกขึ้นมาแล้วค่าใช้จ่ายก็ยิ่งมากแต่ถ้าหากว่าบางคนก็เลี้ยงง่ายก็มี ค่าใช้จ่ายก็ไม่หนักหนาแต่ถึงยังไงก็ตามไม่มีใครที่จะประเมินค่าในการเลี้ยงดูบุตรของตนเองเพราะนั้นเราเระลึกถึงพระคุณของบิดามารดาในจุดนี้เมื่อพ่อแม่ว่าเออลูกอยากจะให้บวชในพระพุทธศาสนาเราก็ทั้อง อ, อกตั้งใจเข้ามาบวชบวชแล้วก็เพื่อศึกษาจริงๆศึกษาเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลจริงๆตามแนวแถวของพระพุทธศาสนา ตามแนวแถวของครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนจากนั้นเราก็ประพฤติปฏิบัติเราก็น้อมจิตอุทิศส่วนกุศลถึงบิดามารดาของเรามงสาคนาญาติของเราเพราะเราเข้ามาบวชในพุทธศาสนาในครั้งนี้เป็นการเสียสละครั้งยิ่งใหญ่อันนี้ก็คือการบวชของเรามีจุดประสงค์จุดหนึ่งแต่ถ้าว่าพวกเราเข้ามาบวชแล้วที่แรกก็ทําท่าหรือว่าทำตนเป็นคนดีเป็นพระที่ดีเป็นผู้มุ่งมั่น แต่พอบวชเข้ามาแล้วไม่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติหมู่พวกเพื่อนแนะนำสั่งสอนว่ากล่าวไม่ได้แต่ไม่ได้มีแต่คลังกิเลสอยู่ในจิตใจถ้าบวชเข้ามาอย่างนี้แล้วบวชเปล่าประโยชน์ไม่มีคุณค่าเท่าที่ควรไม่มีคุณค่าที่ควรจะเป็นที่ควรจะเกิดเพราะนั้นพวกเราให้ซํานึกไว้อยู่เสมอในสิ่งเหล่านี้ อยากจะกล่าวเตือนพวกเราท่านทั้งหลายทุกๆองค์บวชเข้ามาแล้วอย่าให้มีทิฐิมานะทิฐิคือความเห็นมานะคือความแข็งกระด้างแต่ความแข็งกระด้างนี่แหละอย่าให้มีให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนให้รู้จักผู้ใหญ่ผู้น้อยรู้จักสูงรู้จักต่ำแต่ทิฐิคือความเห็นนั้นทุกคนก็ต้องมีความเห็นถ้าคนไม่ตายถ้าคนตายแล้วนะบทความเห็น ถ้าไม่ตายก็ต้องมีความเห็นแต่ความเห็นนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือเป็นสัมมาทิฏฐิมันเป็นสองถ้าเห็นมีความเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิคือความถูกต้องเห็นตามหลักธรรมวินยัยเห็นตามหลักวัฒธรรมสั่งสอนของพระพูดแต่จางแต่มานะคือความแข็งกระด้างตัวนี้ไม่ควรจะให้มีในหัวใจของพระโดยเฉพาะพระกรรมฐานอย่างพวกเราท่านทั้งหลายผู้ใหญ่ผู้น้อยว่ากล่าวตักเตือนกันอย่างไรพวกเราก็ให้ฟัง ให้เป็นผู้สุดตะสุดตะคือเป็นผู้รับฟังรับฟังจากครูบาอาจารย์รับฟังจากหมู่จากเพื่อนหูได้ยินศึกษาตาเห็นศึกษาใจสำเนียกคิดไตรตรองเหตุและผลในเมื่อได้ยินได้ฟังอันนี้แปลว่าเป็นผู้มาศึกษาแต่เท่ามาศึกษาแล้วมาอยู่แบบ ไม่เอาฐานเข้ามาอยู่แบบไม่สนใจอันนี้ผมว่าไม่ควรจะให้มีในวงการของพระกรรมฐานอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆองคนะให้ตั้งอกตั้งใจที่ผมกล่าวท้งนี้ทางนั้นก็เป็นการกล่าวตอกย้าให้พวกเราให้ซํำนึกในการเป็นอยู่ ตรว่การบวชของพวกเราในครั้งนี้และกัการภาวนาอย่างที่พ่อแม่ครูบายการโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งผมก็ได้กล่าวไม่รู้ว่ากี่ครั้งตัวกี่หนเรื่องภาวนาจิตภ า, าวนาสติเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญสติหนึ่งให้มีน้อมนึกสติให้สำนึกอยู่เสมอสติ ให้อยู่กับตนเองในขณะที่เราปฏิบัติเรานั่งภาวนากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกให้มีสติในเมื่อมีสติดีแล้วเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบแล้วเราจะพิจารณาเราถอนออกจากความสงบพิจารณาธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอายตนะตาหูจมูกลิ้นกาย จะพิจารณาธาตุสี่จะพิจารณาร่างกายทุกส่วนก็เห็นได้ชัดเพราะว่าเรามีสติเพราะนั้นเรื่องสติเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายอย่าให้พลาดขาดจากสติเวลาเราอดอาหารแต่ละครั้งอย่าไปอดแบบลอยลอยอย่าไปอดแบบเล่นๆอย่าไปอดแบบไม่มีความหมายอย่าไปอด เพื่อแข่งกันอย่าไปอดเพื่ออย่างอื่นเราอดอาหารแต่ละครั้งมีความหมายสําหรับตัวของเราเองเราอดอาหารครั้งนี้เพื่ออะไรข้าพเจ้าอดอาหารครั้งนี้ข้าพเจ้าจะให้มีสติกับตัวเองให้มากที่สุดแต่ว่าการอดอาหารผมขอกล่าวเตือนย้ําหมู่พวกเพื่อนหลายครั้งการอดอาหารอย่าตั้งสัจจะอย่ามีสัจจะว่าข้าพเจ้าจอดอาหารเจ็ดวันสิบห้าวันสามวันสี่วัน ไม่ต้องมีสัจจะเพราะว่าการอดอาหารบางครั้งเราอดอาหารไปต้องดูใจเขาตัวเองเป็นหลักแต่ถ้าว่าเราตั้งสัจจะแล้วมันไม่ได้อย่างที่เราตั้งใจแต่เราอดไปอยู่อย่างนั้นอดชังก็ตายเพราะอารมณ์มันปูงฟุ้งออกไปมันเอาไม่อยู่เราก็อดอยู่ยางนั้นเพลอเพอเป็นบ้าได้ไง่ายๆเพราะนั้นการอดอาหารแต่ละครั้งต้องดูใจของตนเองใจของเราเป็นยังไงอดอาหารในครั้งนี้ ใจของเราได้รับความสงบพร่มเย็นเป็นสุขใจนิ่งใจสบายเราก็อดไปเรื่อยๆภาวนาไปเรื่อยการอดอาหารเราไม่ใช่อดเพื่ออย่างอื่นเราอดเพื่อภาวนาเพราะฉนั้นถ้าว่าเราอดไปแล้วใจของเราปรุงฟุ้งซ่านเอาไม่อยู่เราก็ออกมาฉันซะเพราะว่าเราเอาชนะมันไม่ได้ช่วงนี้เหมือนกับเราเอไปจับช้างอย่างนั้นเออไปขึ้นขี่หลังช้างถ้าขี่ไปแล้ว มันอยู่ในความสงบเราบังคับไปยังไงมันกลับไปได้หรือว่าเรารู้จักวิธีการของมันเราก็เอาใช้การใช้งานมันพิจารณาไปทำการทำงานอะไรก็ได้อย่างนี้เราก็อยู่กับมันได้แต่พอขึ้นไปแล้วมันแสดงอากัปกิริยาเอมันไม่เชื่อฟังคล้ายๆกับว่าสติมันเอาไม่อยู่กับมันบังคับมันไม่อยู่เราก็ต้องถอยออกมาก่อนเอ๊สติของเราถอยออกมาก่อนแปลว่า เรายอมแพ้มันแต่ในใจเอาเถอะข่าวนี้เรายอมแพ้มันมันเป็นเพราะอะไรทําไมมันเป็นอย่างนี้เราก็ต้องหาวิธีการที่จะเอาชนะใจของตนเองให้ได้แต่พอครั้งต่อไปเราอดอีกครั้งต่อไปมันจะไม่เหมือนเก่านะอันนี้ผมเคยทํามาแล้วจึงได้บอกกล่าวให้หมู่พวกเพื่อนวิธีการอดอาหารแต่ไม่อด เ, อเลยผมว่ากินเป็นวันๆอยู่เป็นวันๆมันไม่สะดุด มันเคยชินไปเรื่อยๆผลที่สุดกิเลสในหัวใจของเราท่านทั้งหลายเนะี่ยมันจะทะวีคูณขึ้นเรื่อยๆผลที่สุดจะว่าความสุขในการอยู่การกินนั้นนั่นแหละตัวกิเลสนั่นแหละมันจะคิดทําลายในจิตใจของเราจิตใจของเราจะรุ่มร้อนเศร้าหมองผลที่สุดก็นั่นแหละอยู่ลําบากเพราะกิเลสมันเตะมันผิดมันเจียบย่ําเพราะฉะนั้นการอดทหาร เการให้ดูกายทรมานกายมันก็กระเทือนถึงใจด้วยเพราะกายกับใจอาศัยกันอยู่ในเมื่อเอดูกายทรมานกายอดอาหารในกายใจของเราก็กระเทือนด้วยเราก็จะได้รู้ว่าการอดอาหารนั้นเป็นยังไงกระเทือนถึงใจใจเรามีความรู้สึกอย่างไงมันเป็นทุกข์หรือมันเป็นสุขมันว้าเวมันอ้างว้างยังไงเออมันกระเสือกกระสวอย่างไรมันหิวกระหายอย่างไร มันเป็นความทุกข์อย่างไรในการอดเราจะได้รู้ในเมื่อรู้แล้วกนเนี่ยเราก็ดูใจอย่างเดียวอย่าไปให้ความสนใจกับกายดูใจเท่านั้นใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าให้ดูใจของตนเองนี่แหละวิธีการอดอาหารเมื่อเราอดอาหารเมื่อเราภาวนาดูใจของตัวเองวิธีการดูใจของตัวเองดูถึงความรู้สึกของตัวเอง ดูให้จิตใจมันว่างาโลโกโอุดปาดิทำใจให้ว่างว่างอย่าให้มีอะไรอยู่ในใจว่างไม่ให้มีอารมณ์อะไรเข้ามาโลกธรรมแปดไม่ให้เข้ามาอยู่ในใจของเราได้โลกธรรมแปดคือมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศนินทานและชนะเสรินรรสุขทุกข์ไม่ให้อยู่ในใจว่าง กิเลสราคะโทสะโมหะโลภโกรดหลงว่างจากใจฉันทากติโทสะกติพยคติโมหกติว่างจากจิตใจฉันทากติ ค, คือความรักโทสะกติคือความไม่ชอบเกลียดพยาคติคือความผูกพยาบาทโมหกติคือความหลงไม่ให้มีอยู่ในใจของเรา ทำใจของเราให้ว่างไม่ให้มีอะไรในใจของเราเว่างทั้งหมดปล่อยให้ว่างให้วางไม่ให้มีอะไรที่มีอยู่ในใจแม้เท่าใยแมลงมุมในเมื่อว่างไม่มีอะไรเข้ามาใจของเราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นใจของเราก็มีความสุขเพราะว่าไม่ยึดถือไม่ยึดมั่น แต่ว่าการว่างนั้นผมว่าไม่ใช่ว่างแบบมีกิเลสไม่ใช่ว่างแบบเมินเฉยมันเป็นว่างที่มีคุณธรรมมันจะเต็มเปี่ยมไปด้วยเมตตาแนวแถวที่จะทำให้ว่างนี้ได้มาอย่างไรได้มาเพราะศีลสมาธิปัญญาถ้าว่าคนไม่มีศีลจะทำให้ว่างอย่างนี้ ไม่ได้เพราะไปทําความชั่วมาแล้วจะทําใจของเราให้สงบเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นศีลคือรักษากายของเราวาจาของเราให้เป็นพื้นฐานเป็นคนดีเป็นพระที่ดีจากนั้นเมื่อทําจิตให้สงบจิตใจก็สงบไดง่ายจิตใจเป็นสมาธิเมื่อจิตใจเป็นสมาธิจิตใจนิ่งใจสงบแล้วพิจารณาทางด้านปัญญาปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่น อันนี้แปลว่าไตรสิขาหรือว่ามักแปดเป็นหนทางที่จะมาสู่ความว่างตัวนี้ได้ต้องอาศัยศีลสมาธิปัญญาเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายทุกๆองนะเมื่อภาวนาและพยายามกำหนดดูให้ใจของเราว่างอย่าให้มีอารมณ์อะไรเข้ามาปล่อยวางทั้งหมด โลกธระทอย่าให้มีความผูกพยาบาทอาฆาตทั้งหลายอย่าได้มีถ้าหากว่าทำจุดนี้เรียกว่าความคิดจุดนี้ออโลโกตัวนี้เป็นจิตใจที่สงบพร่มเย็นที่สุดถ้าพวกเราทำได้ถึงจะไม่ว่างตลอดไปแต่มันว่างชั่วขณะหนึ่ง ก็ยังเห็นคุณค่าบอกความว่างของใจนั้นมีความสุขมีความสงบพร่มเย็นเป็นสุขในจิตใจเพราะความไม่ยึดกับอารมณ์ต่างๆเพราะนั้นพวกเราทุกๆองนะอสอนมาถึงบอกมาถึงความว่างของใจพยายามทำใจให้ว่างทำใจให้สงบไม่ให้มีอารมณ์อะไรเข้ามามีอารมณ์อะไรเข้ามากับพยายามดูปล่อยวาง ให้ว่างทําใจให้ว่างทําใจให้นิ่งอดูอารมณ์ที่มันจะเข้ามาก่อกวนเรานะถ้าว่าเราทํามากกว่านั้นไปเรารู้จักบ่อแห่งความว่างนั้นปล่อยวางกระทั่งความว่างไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยประการทั้งปวงนั่นแหละเท่นีเ่เป็นบรมสุขแต่อันดับแรกถึงมันยังไม่ว่างแต่เราก็พยายามหัดให้ว่าง พยายามฝึกขัดให้ว่างให้ปล่อยวางในใจถ้าพวกเราทำได้อย่างนี้ผมว่าต่อไปเราจะรู้ได้ว่ากิเลสตัวไหนตัวราคะโทสะโมหะจะเข้ามาสู่จิตใจของเราเราก็จะมองเห็นได้เพราะว่าเราพยายามฝึกขัดความปล่อยวางในจิตในใจของเราไว้แล้วพอสมควร เพราะนั้นพวกเราทุกๆท่านนะวันนี้ผมได้พูดได้กล่าวเรื่องความเป็นมาการบวชของพวกเราตั้งแต่เบื้องต้นจุดประสงค์การบวชของเรานั้นคืออะไรแต่เบื้องต้นพวกเราก็คงจะไม่มีความเชื่อมั่นหรือศรัทธาหรือหวังผลทุกข์แต่ว่าเมื่อบวชเข้ามาแล้วพวกเราได้ศึกษา อย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านพูดเล่าในประวัติของท่านเกือบทุกองค์ในเมื่อเข้ามาบวชแล้วก็ศึกษาพอศึกษาแล้วก็เป็นแนวทางพอจิตสงบเข้าไปฉะนั้นแหะรู้แนวทางมีความพยายามมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจโดยอัตโนมัติเพราะว่าเราได้ริมรถของพระธรรมคือจิตตภาวนาะคือความสงบทางด้านจิตใจ แต่จากนั้นเมื่อได้รับความสงบแล้วเราก็ได้ศึกษาต่อไปเราควรทำอย่างไงต่อไปพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาหรือพระธรรมคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ท่านก็จะแนะนำขึ้นไปสูงสูงขึ้นไปเรื่อยๆให้พิจารณาอย่างไรร่างกายสังขารมันไม่ใช่ของที่จิรังถาวรที่จะมีความสุขชั่วฟ้าดินสลายมันให้ความสุขในชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเอง เมื่อเป็นหนุ่มเป็นสาวต่อไปก็ร่างกายเท่าแก่ชราจากนั้นก็หูตาจมูกอวัยวะทุกส่วนก็เปลี่ยนแปลงไปจะหาความสุขที่ไหนได้จากร่างกายอันนี้เนอันนี้ก็เป็นแนวความคิดแล้วว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องคิดวางดูตัวเองถ้าไม่เห็นตัวเองก็เห็นคนอื่นที่ตะก่อนเขาก็เป็นเด็กหนุ่ม อย่างพวกเราท่านทั้งหลายต่อไปก็เข้าวัยชราใครๆก็ไม่พึงปราถนาทั้งนั้นคือความชราความแก่ความเจ็บความตายแต่ว่าไม่มีใครที่จะหลีกเลี่ยงหนีพ้นไปได้อันนี้ก็คือเห็นในตัวเองเห็นในประสบการณ์จากนั้นก็นเนี่ยเมื่อเห็นอย่างนั้นความมุ่งมั่นความตั้งใจจะทำยังไงที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสรู้พระธรรมที่ท่านได้บรรลุธรรม ท่านกรู้สิ่งเหล่านี้ท่านก็ปล่อยวางไม่มาเวียนไหว้ตายเกิดในวัตฏะสงสารจากนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็อยากจะเป็นอย่างพระพุทธเจ้าจะไม่มาขอเวียนไหว้ตายเกิดอีกพยายามถอดถอนกิเลสภายในใจคือราคะโทสะโมหะออกจา ก, ก จ, จิตใจจากนั้นมีความพยายามมีความมุ่งมั่นไปเรื่อยๆจนได้ถึงจุดหมายปลายทางอันดับแรกก็อย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่ล้มลุกคลุกคลาน แต่ท่านมีความพยายามมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นจุดหมายปลายทางที่ท่านมุ่งหมายมุ่งมั่นนั้นไม่เหลือวิสัยถ้าว่าท่านมุ่งมั่นจริงๆอย่างพวกเราท่านทั้งหลายก็ผมคิดว่าคงจะเป็นลักษณะเดียวกันกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้สำเร็จมรดกสาเร็จผลถ้าพวกเรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นคงจะไม่เหลือวิสัยอย่างน้อยก็ถึงจะไม่พ้นทุกข์ในวัฏสงสารในชาตินี้ พวกเราก็เดินเข้าไปใกล้อย่างเต็มทนอยางที่พระอาราหันต์สาวกในครั้งพระพุทธเจ้าสมัยก่อนท่านบำเพ็ญในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสสปะพระพุทธเจ้าองค์ก่อนพอมาถึงในศาสนาของพระโคตมะท่านก็ได้สําเร็จได้เอาง่ายเพราะท่านได้บำเพ็ญมาอย่างเต็มเปี่ยมแล้วอันนี้ก็เหมือนกันถ้าว่าพวกเรามีความพยายามมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจจริงบำเพ็ญ ต, ตนเอาจริงจัง ในพบนี้ชาตินี้เป็นนักบวชมอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต่อคุณงามความดีต่อศีลสมาธิปัญญาจนถึงวาระสุดท้ายเมื่อล้มหายตายจากโกในี้ไปผมคิดว่าพวกเราเดินทางได้หลายไมยท่ทีเดียวพอเกิดพบหน้าชาติหน้าเกิดพบพระีอริยะเมตไตพวกเราก็จะได้ฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ท่านพวกเราก็จะได้สาเร็จมรรคสาเร็จผล เพราะว่าเราเทินทางไกลมาพอสมควรแล้วอันนี้ก็คือไม่เสียหายถ้าพวกเราประพฤติปฏิบัติหรือว่าเรารักษาศีลภาวนาไปเรื่อยๆ อ, อย่างที่อพระอรหันตสาวกทั้งหลายที่ท่านเป็นตัวอย่างของพวกเราเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะจุดหมายปลายทางก่อนเนี่ยวิธีการทําสมาธิเมื่อทําสมาธิแล้ว ผมไม่ได้สอนให้พิจารณาทางอื่นให้พิจารณาดูใจทําใจให้ว่างสิอะโลโกเออทําใจให้ว่างทาโลกให้ว่างมองโลกให้ว่า ง, ง, ว, างว่างหมดเราจะไปยึดมั่นถือมั่นทําไมอันนั้นก็คือธาตุสี่ดินฟ้าอากาศกุติศาลาของใช้ต่างๆมันไม่ใช่ของเราทั้งนั้นใจของเราไปกว้าน้ําเหลวเฉยๆเพราะนั้น สิ่งเหล่านั้นถึงจะมีอยู่ก็ตามมันไม่ใช่ของเราเราจะไปยึดถือว่าเป็นของเราได้ยังไงมันก็ถือว่าเป็นของว่างว่างเปล่าเปล่าประโยชน์สำหรับใจของเรามันไม่มีอะไรที่จะไปถือสิ่งเหล่านั้นเป็นสาระเป็นแกนสารสำหรับใจของเราแม้แต่น้อยเมื่อเราตายไปแล้วเราไปแต่วิญญาณเท่านั้นไปแต่ใจเท่านั้นเพราะนั้นเราจะไปยึดสิ่งเหล่านั้นเป็นของเราเอา่าเป็นเนื้อหนังของเราเป็นเรื่องของเรา ไม่ได้ทั้งนั้นแปลว่าเราคว้าหรือว่าเราคิด เ, เรามุ่งหวังผิดไปอย่างมากเาพราะนั้นท่านจึงว่าให้ดูสิ่งต่างๆทั้ ง, ง, งหลายทั้งปวงรอบด้านของเราให้ว่างปล่อยให้ว่างใจให้ว่างเมื่อใจของเราว่างแล้วนั้นเราจะพบวบรมะสุขในใจของพวกเร า, เ, าเมื่อใจของเราเห็นอย่างนั้นแล้วจิตใจของเราไม่ยึดมัน่นไม่ถือมัน่น ดูเห็นตามความเป็นจริงเรื่องอะไรก็ได้เนยเป็นยังไงก็ได้อะไรก็ได้รู้ในจิตในใจของเราความพอดีก็จะเกิดขึ้นในตัวใจของเรานั่นแหละนะขอให้พวกเราฝึกหัดนะฝึกหัดทำใจให้ว่างอย่างที่ผมได้กล่าวการพูดการแสดงวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรนะขอจุติเพียงเท่านี้